ทำสมาธิเป็นดูายที่ให้จิตของเราอยู่ในอารมณ์ที่ควรกับจิตเจริญนิสัยของเราอย่างไร ลองตรงเข้าใจที่เรียกว่าเพื่อเลือกธรรมะที่ควรกับจิตจินราคะนิดราคาเจริตคือความประพฤติเป็นไปในอารมณ์ที่คล้ายที่ อินดีเรท่านจิงโศนเจริญ อ, อาสุ ป, ปกรรมฐานพิจยนากายส่วนในส่วนหนึ่งที่เป็นของปฏิคูณที่หลังไหลออกจากกายเพรของที่ผ่านทางทวารมุขทวาร แล้วก็ผานก็ไปสู่ลำคอไปสู่กระเพาะอาหารพูทาดเตโชทาดก็ย่อยให้ละเอียดเป็นเครื่องจักรอันสำคัญเตโชทาดแล้วเข้าไปสันสันตติคือสืบต่อ ส่วนละเอียดคือสืบต่อออกเป็นส่วนต่างๆในอาการสามสิสองิออก่อเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฝั น, เ ป, นเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเยื่อในกระดูก ผิ็มอ่อมต้องเปิดใจตับปด ใ, น ใ, นใจไหนใช่น้อยอ่านไมอ่านก็น้ำน้ตาน้ ำ, นำสเสล็ดเนี่ยไปถึงน้ำมูกแต่เราเกิดความจำนานเกิดอาการเบื่อ นิพีธาตัวของเป็นปฏิกูลไม่กล้าจะจับต้องมาเพื่อนมือจะอิจฉเยน็นต่อร่างกายแต่ความมื่อนายเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อนายเกิดปัญญา พิจารณาเป็นอนิจจตาเป็นของปฏิคูณเหมือนประจุละบรรทกท่านเจริญกรรมฐ า, านพระพุทธเจ้าทรงเข้าใจเกโตบปริราณรู้จัก จ, จิตใจพระองค์จึงทรงประทานผ้าขาวให้รูปผ้าขาวมือไปรูปผ้าขาวให้บริกรรม นึกบริกรรมกินท่องก็ได้ในคำท่องราชูอรณังราชูอรณังท่องห้พอนึกให้พอคิดพอรู้ว่าราชูอรณังราชูวรนัง น, นี่เป็นต้นผ้ามันเปื้อนไงผ้าขาวเป็นผ้าดําพิจารณา สังขารร่างกายก็เช่นนั้นเจอยังเกิดอาปิญญารู้ชัดในสัจธรรมบรรลุธรรมรู้ปัจจามิ้งป็นเบื่อหน่ายเวทนาเป็นเบื่อหน่ายในเวทนา สัญญาเป็นเบื่อหน่ายในความทุ่งจำาจังคาเรคือเบื่อหน่ายในการปรุงแต่งเมือนเราปรุงแต่งร่างกายปรุงแต่งภายนอกปรุงแต่งภายในจิตคิดถึงอารมณ์เบื่อหน่าย หรืว่าถึงราคาจริตแต่โตตาเจริญต่อเจอริญเมตตาคนเราเกิดมาเนี่ยปรารถนาคือความสุขกันทั้งนั้นไม่มีผู้ใดใครเป็นหนึ่งปรารถนาความทุกข์จิตเราไปเห็นผิดจิตไปยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิดเขาจะพูดถูกพูดผิด แต่จิตของเรามีธรรมะคือสติย่อมเข้าใจในกำพูดนั้ น, น, นถึงพูดปิดจิตของเราเห็นก็ไม่ควรยึดมั่นทีมันเปาของไม่ดีถึงพูดถูกก็เพียงแต่ว่าพูดพูดถูกไม่มีตัวมีตน เพียงได้ลมปากจึงกลายความยึดมัน่นถือมัน่นโมหะของมันสะดับรับฟังโมหะคือความมืดของจิตลงไปในเรื่องเราต่างๆ ที่ได้สดับรับฟังพระธรรมคาตัาง้งสอนจึงเกิดแสงสว่างขึ้นมาคือการฟังให้เกิดปัญญาแม้การสดับแม้การเห็นก็ให้เกิดปัญญาเพราะได้ฟังแล้วเข้าจิตเราเข้าใจได้ฟังแล้ว นมไปพิเชณาชิงสุดแดงออกที่เราฟังเข้าใจในอะไรด้วยปัญญาคือความเฉลยาดเห็นความเฉลยาดเป็นการส่งใช้ให้เห <h turn> ็นในรูปธรรมอันนี้ทำความเป็นจริงของรูปปั้น จึงตกดูดใบใต้ของไม้เทียงเปลี่ยนไปทุกขณะทุกขณะทุกลวมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนถึงนุ้นเหี่ยวอายุมากก็เหี่ยวครับนังก็เป็นกริบแต่เราพิจารณาเป็นกริบเหี่ยวไปเหี่ยวไปจนเม่อใกระดูกก็เหี่ยวไป ในลักษณะที่เราเปลี่ยนไปนี่เป็นอนิจจตาความเป็นก็ไม่เพียงในลัก่จะเปลี่ยนไ ป, ป, นนปนไนก็เ ป, ป เ, เป็นทุกสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้แต่ตัวทุก็เหมือนกันมันเกิดดับเกิดดับนอกจากเป็นอาพาธแรงมาก ถึงทับอยู่กับที่เดี๋ยวมันตายเนเป็นนัมมาพลดัมมาพาฏอยู่กับที่ตายมีหมดแต่ลมหายใจยังไม่อยู่ยังเคยไปเห็นคนที่มีกลิ่นเหม็นด้วยไปดูแล้วมันควรตายแล้วแต่ยังมีลักษณะ ของยังมีวิญญาณความรู้ทางพระสาทพอได้รับความรู้เข้าใจแจ่มใสในธรร ม, ม่าลู ป, ปะคันนี้เป็นตัวทุกข์เป็นของเปื่อยของเหม็นของปฏิคูลจึงปล่อยวางละเพราะของอาศัยไม่ได้แล้ว จิงทิ้งขันไก่นั้นทํไม่บุญก็ไปสู่ภพใหม่กายนี้แตกไปจึงได้สวดมนต์ให้ฟังก็ทิ้งขันไปเพราะฉะนั้นร่างกายนี้เปลี่ยนไปอาศัยที่เราจเจริญภาวนาแต่เราจเจริญไปอินทรีย์มันแก่แก่กล้า คมอนนนินทรีแก่กานี่เกินดนตรีคือความเป็นใหญ่ของศรัทธาความเพียสรสติตรู้รู้โรควบ้คมรู้ชัดมีสติเป็นเครื่องตื่นอยู่สมาธิและปัญญาเห็นความเป็นของเปลี่ยนแปลงคือความตาย คงร่างกายท่านตั้งแต่เรียก ว, ว่าปฏิชันนิมารณะจนถึงอับปฏิชันนิมาตายไม่ปกปิดเั็นลรอายุเปิตีตามันตายประสาตตามันเสียวงอะไรไม่ได้ชัดแม้จะสัมผัสเขาไม่รู้ไม่ชัดขึ้นมาเท่นั้นเดียก ว, ว่า เป็นสัจธรรมปัญญทรีคือเข้าใจในรู ป, ปากายที่ตามผมเป็นจริงจริงใครตัวพุโทโธอย่างนั้นที่เรายัางเพื่ออุบายให้ใจเราเข้าไปจริงจึง้พิจรารณากรรมฐานกรรมฐานนี่คืออาหารของใจเหมือนอาหารทางทางกายอย่างพระเราฉันมื้อหนึ่ง หิวกระหายน้ำผสมน้ำตาลทักนิดพอพอหายกระหายมันคนที่ร้อนจัดเดืยวกระหายเป็นหลักของมันขาดถาดน้ำคว า, ามเป็นจริงของรูปากันเมื่อเราก็ถาดคว า, ามเอาบุญเย็นจัดเอาผ้าออมา ห่อหุ้มเพื่อให้รับความ อ, อบอุ่นของร่างกายเป็นอุบายที่จะให้เข้าใจในในรูปว่ากายอันนี้เป็นสัจเจอธรรมตัวสักกายติทิขอถอนไม่ยึดมั่นถือมันเพราะไม่มีตัวมีตนเม่รู้จะประยุท์อร่อย เป็นที่จะเป็นเครื่องยุดไม่ได้จึงเห็นเลึกลงไปคลายความสงสัยกังขาความสงสัยไม่มีว่าสังขารร่างกายอันนี้จึงเป็นไปตามสิรักอนิจจตาทุกขตาอนัตต า, ตาไ ม, ไม่ไม่สงสัย ข้อปฏิบัติต่างๆเราปฏิบัติดีได้รับผลคือความดีถึงเป็นปูมจิตของผู้ปฏิบัติจึงได้รับถึงมบบโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลคติคือการไปแต่ใจเราอยู่ในลัทธนาามนี้คติคือการไปไปในทางที่ปลอดภัย หากาติคือการมาอย่างเรามาเกิดเป็นมนุษย์ดีแล้วเลิศประเสริฐกิจโช้มนุษย์สะอาดยาภูดีเลิศไม่มีอะไรหนึ่งซื้อกันไม่ได้และไม่มีที่ขายด้วยเราได้โดยบุญม า, ากาติคือไปอย่างไปสวังยงาที่อยู่ไม่แม่ชีวิตที่ดินทางท่องเที่ยวคือกาติคือการไปอย่างท่องเที่ยวอยู่ทาความรู้ ให้ชัดในสัจธรรมเขาเรียกว่าแม่ชีวิตยังเป็นอยู่เราก็ต้องเที่ยวไปตามเหตุผลจิวกัติคือการไปจุติคือตายอุปาปฏิคือการเกิดเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแ แต่เป็นอริยบุคคลแเจ็ดชาติชาติหนึ่งในมนุษย์เราอย่างร้อยปีถ้าเจ็ดชาติอีกเจ็ดร้อยปีภูมิเมื่อเข้าสู่อริยบุคคลเลยมันถอยไม่ได้มันเดินหน้าพวกเรานี่เดินหน้าคือความเพียนไม่ถอยเพียงเหนื่อยก็พักผ่อนเปลี่ยนอาริเบทเมื่อเราเดินทางไกลเหนื่อยพักพอน ให้ร่างกายนี้ได้ปริปรยุ่ธ์โอเคคือความเหนื่อยใช้ได้ต่อไปเหมือนเครื่องยนต์กลไกที่เราเดินทางไปพักผู้หายร้อนนใช้ได้ต่อไปกกยนี้ผูงหายเหนื่อยเครื่องยนต์ก็เดินต่อไปในจักรี่านั้นแะต่ตุเตกังจักรี คืออิรยมบถสียืนมังเดินมังนั่งมังนอนมังนี่เปลี่ยนอิรยมบถสีนี่เคยไปยังกับรถจากกรุงเทพไปถึงเมืองเลยคนนั้นขับพวกนอนผมพักสิบ้านาทีพักสบ้านาทีไปอีกไปถึงเมืองเลยใกลาย คายอารมณ์เครียดของจิตของกายในจิตได้รับอารมณ์ความความสุขทางกายและความสุขทางจิตมีสติเพราะนั้นจิตก็เราที่มีสติจะพูดเดินเข้าสู่ฌานก็ได้วิตกตึกวิจารณพิจารณา ลมหายใจขยายลมมันลมมันเดินทั่วทั้งร่างกายในเวลากายมันเบาแต่ากายมันแข็งทื่อมันอยู่ด้วยตับอยู่ต้องเปลี่ยนอีอยบบทถึงลมเดินสะดวกกรณีในลมเดินทั่วสั้ร่างกายแต่ให้กายเบาจิตก็อยู่ด้วยจิตคือความสงัด ข, ของจิตในจิตไม่มีอารมณ์คือ ปกนิวรห้าไม่มีกามก็ไม่มีพยายามที่เม็ดกูจะกูจะวิจิตรายอยู่ด้วยความอิ่มของกายและอิ่มของใจเพิ่อพรินถึงปิติจำปิติสุขังปิติอิ่มสุขสุกขกายและสุขจิต แล้วก็เดินชานชานมาถึงเผาความไม่ดีเหมือนเชื่อเพลิงเหมืนอนเอาติดพรึงติดเชื่อติดเหมือนเราไปเห็นไฟไหม้อย่างที่วัดรูมเมียมันก็ไฟเป่าพักเดียวก็น้ำมาดับ การก็เหมือนกันอารมณ์ก็มาไหมเผาตัวฌานแปว่าผมยจึงเขาใช้ชื่อสัพพาชาพนากิจฌานเผาจากบุคคลบังเป็นสมาธิจิตทำบ่อยๆทำติดต่อกันไปถึงเราจะทำกิจอะไรใจอยู่ในองค์ฌานใจก็เบิกบานอารมณ์นั้นมันน้อยหรือไม่มี คำสูลาวีตกวิจารมีปีติกับสุเอกรตาจิตมันตื่นมึกบันพุโทโตอยู่กับพุดโตก็ตื่นตื่นจิตใจผ่องใส ไม่ถูกอารมณ์ในนิวรทัทงห้าแต่าตาติยาชานอุเบกโกเข้าไปเห็นเห็นจิตในจิตเห็นเห็นจิตที่ผงใสสติมาสุขาเบียมีสติมีความสุข ตัวสติเนเป็นคุณธรรมมันสำคัญันมือนปีเรียงนางนมเหมือนมารดาของเราดีเรียงโดมาสัมปชัญญะเหมือนบิดาปกัตนสูงขึ้นไปมีคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลน่ะ โบาติมักโสดาปติพนตกิตาการมักตัมกาทูสะไอโบบังแต่การตุเจชานกัตติมาตุขายวิธีสติปริทุติงสติที่บริสุทธ ผุดพองจิตมันผุดพองใจจิตตัวนี้ต้องอาศัย ป, ปัญญาปัญญาปริภาวิตังจิตตังจิตปัญญา อ, อบรมแล้วเห็นทุกอริยสัจขันนี้เป็นตัวทุกเป็นความจริงแน แม้ตัวสมุทยัยคือตัวเหตุตัวตัวเหตุตัวอวิชชาเป็นเครื่องแต่งเรีงอาอวิชชาแต่งให้เป็นรูปประธรรมขึ้นมาเพราะฉนั้นพอเห็นความจริง่างนั้นแล้วอวิชชาโคดจ